ยักษ์มหายักษเสนาบดียักษ์มหาเสนาบดียักษคือใครคืออินทะหนึ่งโสมหนึ่งวรุณะหนึ่งภารัวะชะหนึ่งประชาบดีหนึ่งจันทนะหนึ่งกามเสถะหนึ่งกินุคันธุหนึ่งนิคันธุหนึ่งปนาทะหนึ่งโอปมัมมยะหนึ่งเทวสูตะหนึ่งมัตติหนึ่งจิตเตเสณะหนึ่ง คันทัพพะหนึ่งนโลราชาหนึ่งชโนสพระหนึ่งสาตาคิระหนึ่งเหมวตะหนึ่งปุณกกะหนึ่งกระติยะหนึ่งคุละหนึ่งสิวกะหนึ่งมุจลินทะหนึ่งเวสามิตะหนึ่งยุคันธระหนึ่งโคปาละหนึ่งสุปะเคทะหนึ่งิริหนึ่งเนติหนึ่ง มัทฑยะหนึ่งปัญจาละจันทะหนึ่งอารวกกะหนึ่งปชุณะหนึ่งและสุมนณะหนึ่งสุมุขะหนึ่งททิมุขะหนึ่งมณิหนึ่งมณิจระหนึ่งทีฆะหนึ่งรวมทั้งเซรีสกะด้วยพุทธบริษัทพึงกล่าวโทษร้องทุกข์ร้องเรียนต่อยักษ์มหายักษ์เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์เหล่านี้ว่ายักษ์นี้สิงยักษ์นี้เข้าสิงยักษ์นี้ระรานยักษ์นี้รุกรานยักษ์นี้เบียดเบียนยักษ์นี้บีบคั้นยักษ์นี้ไม่ยอมปล่อยข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกนี้แหละคือมนเครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่ถูกเบียดเบียนเพื่ออยู่สาราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุตุกบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอทูลลากลับเพราะมีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทํามากพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาราชทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงกําหนดเวลาที่สมควรในะบัดนี้เถิดครั้งนั้นท้ามหาราชทั้งสลุกจากที่ประทับถวายอภิวาพระผู้มีพระภาค ก<ป>ระทำประทักศิลแล้วอันตรธานหายตัวไปณที่นั่นเองแม่พวกยักษ์เหล่านั้นก็ลุกจากที่นั่งบางพวกก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักศิลแล้วอันตรธานไปณที่นั่นเองบางพวกสนธนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันกับพระผู้มีพระภาคแล้วอันตรธานไปณที่นั่นเองบางพวกประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ แล้วอันตรธานไปหน้าที่นั่นเองบางพวกประกาศชื่อและโคดแล้วอันตรธานไปหน้าที่นั่นเองบางพวกอันตรธานไปเสียเฉยๆหน้าที่นั่นเองภาณวาระที่หนึ่งจบ ปาวาระที่สองเมื่อราตรีนั้นล่วงไปพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตลอดราตรีนี้ถ้ามหาราชทั้งสีองค์วางยามรักษาการไว้ทั้งสีทิศวางกองกำลังไว้ทั้งสีทิศวางหน่วยป้องกันไว้ทั้งสีทิศด้วยกองทัพยักษ์หมู่ใหญ่ด้วยกองทัพคนทันหมู่ใหญ่ด้วยกองทัพกุมภันหมู่ให ญ, ใหญ่และด้วยกองทัพนาคหมู่ใหญ่ เมื่อราตรีนั้นผ่านไปมีวันนางดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างสวัยทั่วภูเขาขี้กูดแล้วเข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไห ว, วเราแล้วนั่งนทที่สมควรยักษ์เหล่านั้นบางพวกไหวเราแล้วนั่งนที่สมควรบางพวกสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันกันกบเราแล้วนั่งนัทที่สมควรบางพวกประนมมือมาทางที่เราอยู่แล้วนั่งนที่สมควร บางพวกประกาศชื่อและโครแล้วนั่งหน้าที่สมควรบางพวกนั่งนิ่งเฉยหน้าที่สมควรภิกษุทั้งหลายท้าวเวสวรรณมหาราชประทับนั่งหน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยักษ์ชั้นสูงที่ไม่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มีที่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มียักษ์ชั้นกลางที่ไม่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มี ที่เลื่อมสพระผู้มีพระภาคก็มียักษ์ชั้นต่ำที่ไม่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มีที่เลื่อมใสายพระผู้มีพระภาคก็มีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโดยมากยักษ์ไม่เลื่อมใสายพระผู้มีพระภาคเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ ทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากการประพฤติผิดในกลามทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากการพูดเท็จทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแต่โดยมากพวกยักษ์ไม่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่งดเว้นจากการประพฤติผิดในกลามไม่งดเว้นจากการพูดเท็จ ไม่งดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพื่อการงดเว้นนั้นจึงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของยักษ์เหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีสาวกของพระผู้มีพระภาคที่อาศัยเสนาสนะอันเป็นป่าละเมาะและป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยมีเสียงอึ ก, กทึกน้อย ปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการรับของมนุษย์ควรแก่การหลีกเร้นพวกยักษ์ชั้นสูงผู้อาศัยอยู่ในป่านั้นที่ไม่เลื่อมใสในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคนี้ก็มีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงเรียนมนต์เครื่องรักษาชื่ออาตานตาิยะเพื่อให้ยักษ์เหล่านั้นเลื่อมใสเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่ถูกเบียดเบียน เพื่ออยู่สำราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเรารับนิมนต์ด้วยอาการดุษณน่ลำดับนั้นท้าวเวสวรรณมหาราชทราบอาการที่เรารับแล้ว จึงได้ ก, กล่าวมนเครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะนี้ในเวลานั้นว่าขอนอบน้อมพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุมีพระสิริขอนอบน้อมพระสิขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั่วหน้าขอนอบน้อมพระเวสภูพุทธเจ้าผู้ทรงชาระกิเลสมีความเพียรขอนอบน้อมพระกรกสุสลทัพพุทธเจ้าผู้ทรงย่ายีมารและกองทัพมาร ขอนอบน้อมพระโคนาขมณะพุทธเจ้าผู้มีบาปอันลอยแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ขอนอบน้อมพระกสปะพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นในที่ทั้งปวงขอนอบน้อมพระอังคีรสพุทธเจ้าผู้ศากยญบุตรผู้มีพระสิริผู้ทรงแสดงธรรมนี้อันเป็นเครื่องบรรเทาทุกทั้งปวงอันหนึ่งพระพุทธเจ้าเหล่าใดเป็นผู้ดับกิเลสแล้วในโลกทรงเห็นแจ้งแล้วตามความเป็นจริง พระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ส่อเสียดเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศ จ, จากความครั่งไคล้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้โคตรมโคตรพระองค์ใดทรงเกื่อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศ จ, จากความคลั่งไคล้ พระสุริยะคือพระอาทิตย์มีมนทนใหญ่ขึ้นทางทิศใดเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นกลางคืนก็หายไปและเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเรียกกันว่ากลางวันในที่ที่พระอาทิตย์ขึ้นนั้นมีห่วงน้ําลึกคือมหาสมุทรที่เต็มด้วยน้ําชนทั้งหลายรู้จักห่วงน้ํานั้นว่าสมุทรที่เต็มด้วยน้ําคนเรียกทิศนั้นว่าทิศนั้นเป็นทิศตะวันออกจากภูเขาซิเนรุนี้ไป ซึ่งเป็นทิศที่ท้าวมหาราชผู้มียศองค์นั้นอภิบาลอยู่ท้าวมหาราชนั้นมีพระนามว่าทัตตรถทรงเป็นหัวหน้าของพวกคนทันมีคนทันแวดล้อมทรงโปรดปราณการไร้รำและการขับร้องข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่าแมโอรสของท้าวทัตตรถจะมีมากก็มีพระนามเดียวกันคือทั้ง91องค์มีพระนามว่าอินทะต่างมีพลังมาก เท้าทัตตรถและพระอรรถเหล่านั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ตื่นแล้วผู้เป็นเผ่าพันุ์แห่งพระอาทิตย์พากันถวายอภิวาทพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความครั่องครามแต่ที่ไกลข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษอาชาในข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษสูงสุดข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ขอพระองค์โปรดตรวจดูด้วยพระยานอัญฉล่าเถิด แม้อาบนุษย์ทั้งหลายก็ถวายอภิวาทพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้สดับเรื่องนี้มาเนืองเนืองฉะนั้นจึงกราบทูลเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเคยถามผู้อาบนุษย์ว่าพวกท่านถวายอภิวาทพระชินนะโคดมหรือพวกอาบนุษย์ตอบว่าพวกเราถวายอภิวาทพระชิ น, นโคดมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายโคถวายอภิวาทพระพุทธโคดมผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณนะ ชนทั้งหลายผู้ส่อเสียดผู้นินทาคนลับหลังเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นในพรานเป็นโจรเป็นคนตลบตะแหลงตายแล้วเขาบอกให้นําออกไปทางทิศใดคนเรียกทิศนั้นว่าทิศนั้นเป็นทิศใต้จากภูเขาสิเนรุนี้ไปซึ่งเป็นทิศที่ท้ามหาราชผู้มียศองค์นั้นอภิบาลอยู่ท้ามหาราชนั้นมีพระนามว่าวิรุณหะทรงเป็นหัวหน้าของพวกคุมภัณฑ์มีคุมภัณฑ์แวดล้อม ทรงโ ป, ปรดรานการไร้าราและการขับร้องข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่าแม้โอรสของท้าววิรุฬหะจะมีมากก็มีพระนามเดียวกันคือทั้ง91องค์มีพระนามว่าอินทะต่างมีพลังมากท้าววิรุณหะและพระโอรสเหล่านั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ตื่นแล้วผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระอาทิตย์พากันถวายอภิวาสพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ใหญ่ยิ่งปราศจากความคร่งครามแต่ที่ไกล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 พวกท่านถวายอภิวาทพระชินะโคดมหรือพวกอมนุษย์ตอบว่าพวกเราถวายอภิวาพระชินะโคดมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายอภิวาทพระพุทธโคดมผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและเจรณะ พระสุริยะคือพระอาทิตย์มีมวลทนใหญ่ตกทางทิศใดเมื่อพระอาทิตย์ตกกลางวันก็หายไปและเมื่อพระอาทิตย์ตกเรียกกันว่ากลางคืนในที่ที่พระอาทิตย์ตกนั้นมีห้วงน้ำลึกคือมหาสมุทรที่เต็มด้วยน้ำชนทั้งหลายรู้จักห้วงน้ำนั้นว่าสมุทรที่เต็มด้วยน้ำคนเรียกทิศนั้นว่าทิศนั้นเป็นทิศตะวันตกจากภูเขาซิเนรุนี้ไปซึ่งเป็นทิศ ท, ที่เท้ามหาราช ผู้มียศองค์นั้นอภิบาลอยู่ท้าวมหาราชนั้นมีพระนามว่าวิรูปักทรงเป็นหัวหน้าของพวกนาคมีนาคแวดล้อมทรงโปรดปรานการร่ายรำและการขับร้องข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้สดับมาว่าแม้โอรสของท้าววิรูปักจะมีมากก็มีพระนามเดียวกันคือทั้ง91องค์มีพระนามว่าอินทะต่างมีพลังมากท้าววิรูปักและโอรสเหล่านั้น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 แม้อมนุษย์ทั้งหลายก็ถวายอภิวาทพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้สดับเรื่องนี้มาหนึ่งหนึ่งฉะนั้นจึงกราบทูลเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเคยถามพวกอาบุษย์ว่าพวกท่านถวายอภิวาทพระชินนโคดมหรือพวกอาบุษย์ตอบว่าพวกเราถวายอภิวาทพระชิ น, นโคดมขอถวายอภิวาทพระพุทธโคดมผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะ อุตรากุรุทวีปเป็นโรมานียสถานมีภูเขาหลวงชื่อสิเนรุแลดูงดงามตั้งอยู่ทางทิศใดพวกมนุษย์ซึ่งเกิดในอุตรากุรุทวีปนั้นไม่ยึดถือสิ่งใดว่าเป็นของตนไม่ถือครองมนุษย์เหล่านั้นไม่ต้องหวานพืชไม่ต้องนำไถออกไถหมู่มนุษย์บริโภคข้าวสาลีอันผลิตในที่ที่ไม่ต้องไถ พวกเขาหุงข้าวสาลีอันไม่มีรำไม่มีแครบบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารบนเตาอันปราศจากควันและทานแล้วบริโภคโภชนะจากที่นั้นพวกเขาใช้แม่โคแทนม้า ก, กีบเดียวแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ใช้สัตว์เลี้ยงแทนม้ากีบเดียวแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ใช้หญิงเป็นพานะแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ ใช้ชายเป็นพานะแล้วเชื่อไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ใช้เด็กหญิงเป็นพานะแล้วเชื่อไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ใช้เด็กชายเป็นพานะแล้วเชื่อไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่พระสนมทั้งหลายของเท้ามหาหราชนั้นก็ขึ้นสู่ยานเหล่านั้นตามห้อมล้อมไปทุกทิศ ย, ยานช้างยานม้ายานทิพ ป, ปราศาสและวอเบังเกิดแกเท้ามห า, หาราชผู้มียศเท้าเธอทรงมีเมืองหลายเมืองที่สร้างในอากาศ คือเมืองอาตานาตาเ ม, มืองกุศินาตาเมืองปรากรุศินาตาเมืองนาตะปริยาเมืองปรากรุศตนาตาทางทิศเหนือมีเมืองกปีวันตะและมีอีกเมืองหนึ่งชื่อชนโนคะอีกเมืองหนึ่งชื่อนวณาวติยะและมีอีกเมืองหนึ่งชื่ออัมพรอัมพรวติยะมีราชธานีชื่ออาลกะมันทา ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกท้าวขวเวนมหาราชมีราชธานีชื่อวิสานาฉะนั้นมหาชนจึงเรียกท้าวขวเวนมหาราชว่าท้าเวสว ร, รย์ยักษ์ชื่อตโตลาชื่อตัตะลาชื่อตโตตลาชื่อโอชสีชื่อเตชสีชื่อตโตชสีชื่อสุระชื่อราชา ชื่อสูโรราชาชื่ออริธาชื่อเนมิชื่ออริธาเน ม, ออเนมิต่างทำหน้าที่หาข่าวและประกาศให้ทราบในวิสานาราชธานีนั้นมีห่วงน้ําชื่อธรณีซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเมฆเกิดฝนตกในวิสานาราชธานีนั้นมีสภาชื่อพักคละวดีเป็นที่ประชุมของพวกยักษ์มีต้นไม้ทั้งหลายผลิตเป็นนิด ดารดาษด้วยหมู่นกชนิดต่างๆมีเสียงร้องของนกยูงนกกระเรียนและเสียงขับกล่อมจากนกดูเบาเป็นต้นในวิสานาราชธานีนั้นมีเสียงร้องของนกชีวันชีวกะและนกโอทวจิตกะมีไก่ป่าในสะบัวมีปูทองและนกชื่อปกขระสาตกะในวิสานาราชธานีนั้นมีเสียงนกแก้วนกสาลิกาและหมู่นก ทันทะมานวะสะบัวของเท้ากูเวย น, นั้นจึงงามตลอดการทุกเมื่อคนเรียกทิศนั้นว่าทิศนั้นเป็นทิศเหนือจากภูเขาชิเนเอรุนี้ไปซึ่งเป็นทิศที่เท้ามหาราชผู้ทรงยศองค์นั้นอภิบาลอยู่เท้ามหาราชนั้นมีพระนามว่าเท้ากูเวนทรงเป็นหัวหน้าของพวกยักษ์มียักษ์แวดล้อมทรงโปรดรานด้วยการร่ายรำและการขับร้อง ขพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่าแม้อรตของท้าวกุเวยจะมีมากก็มีพระนามเดียวกันคือทั้ง9ก้องค์มีพระนามว่าอินทะต่างมีพลังมากท้าวกุเวยและโอรสเหล่านั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้เตื่นแล้วผู้เป็นเผ่าพันุ์แห่งพระอาทิตย์พากันถวายอภิวาทพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความครื่องคร่มแต่ที่ไกลข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษอาชาใน ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษสูงสุดข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ขอพระองค์โปรดตรวจดูด้วยพระญาณอันฉลาเถิดแม้อมนุษย์ทั้งหลายก็ถวายอภิวาสพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้สดับเรื่องนั้นมาเนืองๆฉะนั้นจึงกราบทูลเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเคยถามพวกอาบุษย์ว่า พวกท่านถวายอภิวาทพระชิ น, นโคดมหรือพวกอมนุษย์ตอบว่าพวกเราถวายอภิวาทพระชิ น, นโคดมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายอภิวาทพระพุทธโคดมผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะ ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์นี้แหละคือมนเครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะนั้นเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่ถูกเบียดเบียนเพื่ออยู่สําราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้เรียนมน์เครื่องรักษาชื่อ อาตาฏติยะนี้จนจบครบบริบูรณ์แล้วหากว่าอามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นยักษ์ยักษณีบุตรยักษ์ทิดายักษ์มหาอมาตย์ของยักษ์บริวารของยักษ์ผู้รับใช้ของยักษ์ก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนทันนางคนทันบุตรคนทันทิดาคนทันมหาอมาตย์ของคนทันบริวารของคนทันผู้รับใช้ของคนทันก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นกุมภพันนางกุมภพันบุตรกุมภพันทิดากุมภพันมหาอมาตยของกุมภพันบริวารของกุมภพันผู้รับใช้ของกุมภพันก็ตามไม่ว่าจะเป็นนาคนางนาคบุตรนาคทิดานาคมหาอมาตของนาคบริวารของนาคผู้รับใช้ของนาคก็ตามมีจิตประทุษร้ายเดินตามภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้กําลังเดินไป ยืนใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิ ก, กาผู้ยืนอยู่นั่งใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้นั่งอยู่หรือนอนใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้นอนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุตุกอามนุษย์นั้นไม่พึงได้สักระหรือความเคารพในหมู่บ้านหรือในนิคมของข้าพระพุทธเจ้าไม่พึงได้พื้นที่บ้านหรือที่อยู่ในราชธานีชื่อว่า อารกมันทาของข้าพระพุทธเจ้าไม่อาจเข้าสมาคมของพวกยักษ์ของข้าพระพุทธเจ้า irim. อีกประการหนึ่งอามนุษย์ทั้งหลายไม่ พ, พึงทำอาวาหะมงคลและวิวาหะมงคลกับอาบนุษย์นั้นอีกประการหนึ่งอามนุษย์ทั้งหลายด่าอามนุษย์นั้นด้วยคำด่าที่ตรงตัวเต็มปากเต็มคำอีกประการหนึ่งอามนุษย์ทั้งหลายพึงเอาบาดเปล่าครอบศีรษะอามนุษย์นั้น อีกประการหนึ่งอมนุษย์ทั้งหลายพึงพาศีรษะอมนุษย์นั้นออกเป็นเจ็ดเสียงข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์มีอมนุษย์ทั้งหลายที่ดุร้ายโหดเทียมทำเกินเหตุอมนุษย์เหล่านั้นไม่เชื่อฟังท้ามหาราชไม่เชื่อฟังเสนาบดีของท้ามหาราชไม่เชื่อฟังผู้ช่วยเสนาบดีของท้ามหาราชข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์อมนุษย์เหล่านั้นเรียกว่าเป็นศัตรูของท้ามหาราช เ ห, เหมือนมหาโจรทั้งหลายในแว่นแคว้นของพระราชาผู้ครองแคว้นมคตมหาโจรเหล่านั้นไม่เชื่อฟังพระราชาผู้ครองแคว้นมคตไม่เชื่อฟังเสนาบดีของพระราชาผู้ครองแคว้นมคตไม่เชื่อฟังผู้ช่วยเสนาบดีของพระราชาผู้ครองแคว้นมคตขคาแต่พระองค์ผู้นิรทุกมหาโจรเหล่านั้นเรียกว่าเป็นศัตรูของพระราชาผู้ครองแคว้นมคตชันใด มีอามนุษย์ทั้งหลายที่ดุร้ายโหดเหี้ยมทำเกินเหตุอามนุษย์เหล่านั้นไม่เชื่อฟังท้าวมหาราชไม่เชื่อฟังเสนาบดีของท้าวมหาราชไม่เชื่อฟังผู้ช่วยเสนาบดีของท้าวมหาราชฆ่าแต่พระองค์ผู้นิรทุกอาเมนุษย์เหล่านั้นเรียกว่าเป็นศัตรูของท้าวมหาราชฉันนั้นเหมือนกันฆ่าแต่พระองค์ผู้นิรทุกอาเมนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งไม่ว่าจะเป็นยักษ์ยักษ์เนีบุตรยักษ์ ทิดายักมหาอมาตย์ของยักบร yes ิวารของยักผ yes ู้รับใช้ของยักก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนทันนางคนทันบุตรคนทันที่ดาคนทันมหาอมาตย์ของคนทันบริวารของคนทันผู้รับใช้ของคนทันก็ตามไม่ว่าจะเป็นกลุมพันธ์นางกุมพันธ์บุตรกุ่มพันธ์ที่ดากุมพันธ์มหาอมาตย์ของกลุมพันธ์บริวารของกลุมพันธ์ผู้รับใช้ของกุมพันธ์ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นนาคนางนาคบุตรนาคที่ดา น, นาคมหาอามาตของนาคบริวารของนาคผู้รับใช้ของนาคก็ตามมีจิตประทุษร้ายเดินตามภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิ ก, กาผู้กําลังเดินอยู่ยืนใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้ยืนอยู่นั่งใกล้พิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้นั่งอยู่ หรือนอนใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้นอนอยู่พึ่งกล่าวโทษร้องทุกข์ร้องเรียนต่อยักษ์มหายักษ์เสนาบดียักษ์มหาเสนาบดียักษ์เหล่านี้ว่ายักษ์นี้สิงยักษ์นี้เข้าสิงยักษ์นี้ระรานยักษ์นี้รุกรานยักษ์นี้เบียดเบียนยักษ์นี้บีบคันยักษ์นี้ไม่ยอมปล่อย ยักษ์มหายักษ์เสนาบดียักษ์มหาเสนาบดียักษ์คือใครคืออินทะหนึ่งโสมหนึ่งวรุณะหนึ่งพรรธวาชะหนึ่งประชาบดีหนึ่งจันทนะหนึ่งกามเสถะหนึ่งกินนุคันทุหนึ่งนิคันทุหนึ่งปนาทะหนึ่งโอปัญมยะหนึ่งเทวสูตะหนึ่งมัตลิหนึ่งจิตเตเสณะหนึ่ง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 ปัญจาละจันทะหนึ่งอารวกกะหนึ่งประชุณณะหนึ่งสุมนณะหนึ่งสุมุขะหนึ่งทัทิมุขะหนึ่งมณิหนึ่งมณิจระหนึ่งทีฆะหนึ่งรวมทั้งเซรีสกะด้วย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 เพื่ออยู่สำราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์บัตรนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอทูลลากลับเพราะมีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำมากพระพุทธเจ้าค่าเราเรียกล่าวว่ามหาราชทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรหน้าบัตรนี้เถิดภิกษุทั้งหลายครั้งนั้น เท้ามหาราชทั้งสี่ลุกจากที่ประทับไหว้เรากระทําประทักษิณแล้วอันตรธานไปณที่นั้นเองแม้พวกยักษ์เหล่านั้นก็ลุกจากที่นั่งบางพวกก็ไหว้เรากระทําประทักษิณแล้วอันตรธานไปณที่นั้นเองบางพวกสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันกับเราแล้วอันตรธานไปณที่นั้นเองบางพวกประนมมือมาทางที่เราอยู่ แ ล, แล้วอันตรธานไปณที่นั้นเองบางพวกประกาศชื่อและโคดแล้วอันตรธานไปณที่นั้นเองบางพวกอันตรทานไปเสียเฉยเฉยณที่นั้นเองภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเรียนมนเครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะจงเล่าเรียนมนเครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะจงทรงจำมนเครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะไว้ภิกษุทั้งหลาย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 สังคีติสูตรว่าด้วยการสังขยาณาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาเรียกไปในแคว้นมันละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รอรูปได้เสด็จถึงกรุงปาวาของพวกเจ้ามันละทราบว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนมะม่วงของนายจุนทะกรรมารบุตรเขตกรุงปาวานั้น ท้องพระโรงหลังใหม่ชื่ออุพัตกะสมัยนั้นท้องพระโรงหลังใหม่อันมีนามว่าอุพัตกะที่พวกเจ้ามันละกรุงปาวาโปรดให้สร้างสำเร็จแล้วได้ไม่นานยังไม่มีสมณะหรือพรามหรือใครๆที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัยเลยพวกเจ้ามันละกรุงปาวาได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จจ้าเรียกในแคว้นมันละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูป ได้เสด็จถึงกรุงปาวาโดยลําดับประทับอยู่ณสวนมะม่วงของนายจุนทะกรรมารบุตรเขตกรุงปาวาต่อมาพวกเจ้ามันละกรุงปาวาได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสท้องพระโรงหลังใหม่อันมีนามว่าอุปภตัตตะ ที่พวกเจ้ามันละกรุงปาวาโปรดให้สร้างสำเร็จแล้วได้ไม่นานยังไม่มีสมณะหรือพราหม์หรือใครๆที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัยเลยขอพระผู้มีพระภาคทรงใช้ท้องพระโรงนั้นเป็นปฐมฤกิกด้วยเถิดพวกเจ้ามันละกรุงปาวาจากใช้ภายหลังที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้เป็นปฐมฤกแล้วข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่พวกเจ้ามันละ ผู้ครองกรุงปาวาตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีลำดับนั้นพวกเจ้ามันละกรุงปาวาทรงทราบ พ, พระอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคกระทาประทักษิณแล้วเสด็จเข้าไปยังท้องพระโรงหลังใหม่แล้วจึงรับสั่งให้ปูเครื่องลาดทั่วท้องพระโรง ปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วประทับยืน อ, อยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายได้ปูเครื่องลาดทั่วท้องพระโรงปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงทรงกําหนดเวลาที่สมควรในบัดนี้เถิด ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จไปยังท้องพระโรงพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงล้างพระบาทแล้วเสด็ดเข้าสู่ท้องพระโรงประทับนั่งพิงเสากลางพินพระพักไปทางทิศตะวันออกฝ่ายภิกษุสงฆ์ล้างเท้าแล้วเข้าสู่ท้องพระโรงนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันตกพินหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่เบื้องพระปฤษดางพระผู้มีพระภาค ส่วนพระเจ้ามันละกรุงปาวาทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าสู่ทองพระโรงประทับนั่งพิงฝาทางด้านทิ่ตะวันออกพินพระพักไปทางทิ่ตะวันตกอยู่เบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พวกเจ้ามันละกรุงปาวาเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้า ปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคะถาเกือบตลอดคืนแล้วส่งส่งไปด้วยพระดำรัสว่าว่าเศรษฐะทั้งหลายราตรีผ่านไปมากแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาสมควรณนบัดนี้เถิดพวกเจ้ามันละกรุงปาวาทูลรับสนองพระดำรัสแล้วทรงพากันลุกขึ้นจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทาประทักษิณแล้วเสด็จจากไป ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อพวกเจ้ามันละกรุงปาวาเสด็จจากไปแล้วไม่นานทรงเหลียวดูหมู่ภิกษุผู้นั่งนิ่งแล้วรับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่าสารีบุตรภิกษุสงฆ์ปราศจากถีนมิทะสารีบุตรจงแสดงธรรมมีระถาแก่ภิกษุทั้งหลายเราเมื่อหลังจะขอพักสักหน่อยท่านพระสารีบุตรทูลรับสนองพระดารัสแล้วจากนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูสังคาติซ้อนกันสีชั้นทรงสำเร็จสีหศสัยยาโดยพระปรัดเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาททรงมีสติสัมปชัญญะทรงกำหนดพระไทยพร้อมจะเสด็จลูกขึ้น นิโครนแตกกันสมัยนั้นนิโครนนาตบุตรได้ถึงแก่กรรมแล้วไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิโครนนาตบุตรนั้นพวกนิครนจึงแตกกันเกิดแยกกันเป็นสองพวกต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาดกันใช้หอคือปากทิมแทงกันอยู่ว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวิ น, นัยนี้แต่ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมวิ น, นัยท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไร ท่านปฏิบัติผิดแต่ข้าพเจ้าปฏิบัติถูกคำพูดของข้าพเจ้ามีประโยชน์แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดภายหลังคำที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วข้าพเจ้าจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้คำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิด เห็นจะมีแต่การฆ่ากันเท่านั้นที่จะเป็นไปในพวกนิครนผู้เป็นสาวกของนิครนนาฏบุตรแม้พวกสาวกของนิครนนาฏบุตรที่เป็นครหอขัดนุ่งขาวห่มขาวก็มีอาการเบื่อหน่ายคลายความรักรู้สึกท้อถอยในพวกนิครนผู้เป็นสาวกของนิครนนาฏบุตรทั้งนี้เพราะธรรมวินัยที่นิครนนาฏบุตรกล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนําออกจากทุก์ได้ ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้เป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัยครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเรียกพิษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายนิครนนาตบุตรได้ถึงแก่กรรมแล้วไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครนนาตบุตรนั้น พวกนิครนจึงแตกกันเกิดแยกกันเป็นสองพวกและถึงเป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัยท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละในธรรมวินัยที่าศาสดากล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนําออกจากทุกได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระ ง, งับเป็นธรรมวินัยที่ผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ ส่วนธรรมนี้แหละพระผู้มีพระภาคของพวกเราตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้พวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังายนาไม่พึงวิวาสกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจันทร์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก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 เพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำหมวดละหนึ่งประการคืออะไรคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยสังขารท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แหละคือทำหมวดละหนึ่งประการ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 เพื่อสุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวดหนึ่งจบ